อ่ะเชริญพรโยมฝนตกก็ไม่กลัวนะสนใจการภาวนานะดีที่สุดเลยนะคือเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีก็ต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่ใช่สาระในชีวิตเราคนจำนวนมากเลยไม่รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนี่สิ่งที่มีสาระนะบางอย่างก็เป็นประโยชน์กับเราบางอย่างก็ ยังไม่เป็นประโยชน์กับเราก็ต้องรู้อีกอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำในสิ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์นีการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารมากการปฏิบัติธรรมนะเป็นเรื่องที่มีสาระแก่นสารนะวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีเยอะแยะเลยบางวิธีมีประโยชน์กับเราบางวิธีไม่มีประโยชน์เพราะว่า ธรรมะที่ท่านสอนไว้มันมีมากท่านสอนไว้กับคนเหมาะกับคนที่จริตนิสัยต่างๆกันคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ต้องการธรรมะมากหรอกต้องการหลักปฏิบัติคนเราไม่มากนะแล้วก็ทางใครทางมันด้วยไม่ไม่ต้องเรียนแบบกันมันต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตถูกกับนิสัยของเราเองถ้าภาวนาไม่ถูกกับจริตนิสัยของเราเองมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรอย่างหลายคน เคยได้ยินว่าหลวงพ่อหัดดูจิตมาก็าจะต้องมาดูจิตอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่จำเป็นหรอกนะทางใครทางมันขอให้ถูกหลักก็แล้วกันถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะมีสติมีสัมมาสมาธิหัดรู้กายลงปัจจุบันหัดตามรู้จิตอนะารเงี้ยถ้าหลักแม่นวิธีไหนก็ให้ผลอย่างเดียวกันเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างเดียวกันทั้งหมด อย่างหลวงพ่อศึกษากับหลวงปู่ดูลนะทีแรกก็พบความแปลกประหลาดหลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสอนพระบางองค์นะท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวะดูหลายเส้นก็ไม่ได้นะต้องเส้นเดียวนอยู่ๆท่านก็สั่งนท่านสั่งตอนนั้นหลวงพ่อคืนนี่เอยชื่อได้เพราะท่านไม่อยู่แล้ว ทั้งคนพูดทั้งคนถูกพูดมันไม่อยู่แล้วท่านสั่งบอกคืนดูผมเส้นเดียวะหลวงพ่อคืนนะเสียใจว่าทําไมหลวงปู่ดูลให้ดูน้อยจังดูหลายๆเส้นดีกว่าดูยังไงจิตก็ไม่รวมนะฝึกอยู่งั้นตลอดพรรษาก็ทําไม่ได้นานฝึกไปจนกรทั่งวันหนึ่งท่านไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจิตมันไม่รวมท่านก็ไปดูผมเส้นเดียวจิตรวมได้พอจิตรวมแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสมถะนะ อย่าคิดว่เป็นมิปัสสนาเห็นไหมหลวงปู่โดยบางทีสอนสมถะก่อนสําหรับบางคนพอจิตรวมลงไปแล้วก็ค่อยมาเจริญสติรู้กายรู้ใจไปหรือนะสอนอีกองค์หนึ่งองค์นี้ยังอยู่ไม่บอกชื่อนะสอนให้ดูกระดูกสอนให้ดูกระดูกเดินจงกรมนี่นะท่านก็เห็นกระดูกตัวเองเดินนะมีกระดูกโครงกระดูกหนึ่งเดินข้างหน้าอหนึ่งข้างหลังอึงข้างซ้ายข้างขวานะเดินไปไหนมีห้ากระดูกล้อมไปงั้น เป็นเราเห็นเราก็วิ่งเนาะอ น, นั้นต์ก็สมถะนะสมถะเนี่ยทําไปแล้วจิตสงบขึ้นมาก็มาเจริญสติต่อบางคนท่านก็สอนให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตรวมเข้ามาสงบแล้วท่านก็ให้สังเกตจิตที่เป็นคนท่องพุโทโธนอย่างหลวงปู่ดูลนะ่ะท่านสอนหลวงพ่อสอนให้ดูไปเลยดูจิตเนี่ยท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ แต่ภาวนาแล้วผลมันจะออกมาอย่างเดียวกันคือมันมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนพวกเราก็ฝึกนะทางใครทางมันบางคนก็ต้องทําสมถะก่อนบางคนทําสมถะไม่ได้ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนบางคนทําสมถะควบกับวิปัสสนาเหมือนที่พระานนท์ท่านสอนนะว่า ก, การปฏิบัติมีหลายแบบ พวกหนึ่งใช้สมถะใช้สมาธินำปัญญาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิพวกหนึ่งทำสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปมีหลายแบบทางใครทางมันนะต้องดูจริตนิสัยของเราเองบางคนก็จะไปติดเคยได้ยินครูบาอาจารย์อย่างได้ยินหลวงพ่อบอกหลวงพ่อดูจิตที่มาดูตามหลวงพ่อมันทีก็ทำไม่ได้หรือครูบาอาจารย์บางวงท่านดูกายมา ท่านทำสมถะก่อนแล้วท่านไปดูไกาเราทำสมถะไม่ได้ทำไม่ได้อย่างท่านดังนั้นเราจะไปเลือกกรรมฐานมันต้องเลือกให้เหมาะ ก, กับตัวของเราเองอันแรกเลยเราต้องรู้ก่อนอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาต้องรู้ก่อนนะต้องแยกให้เป็นไม่งั้นเดี๋ยวเราได้ยินว่าใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิเอาเข้าจริงนะทำแต่สมถะอย่างนี้ก็เยอะนะเยอะคนส่วนมากที่ปฏิบัติเนี่ยติดสมถะแทบตั้งนั้นเลย หาที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยหาหน้ายน้อยตัวต้องอาศัยได้ฟังธทำที่เกี่ยวกับการเจริญสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยถึงจะค่อยๆรู้สึกขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ส่วนใหญ่จะทําแล้วไปติดสมถะหมดเงั้นเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนา ไม่งั้นเราก็ปากแต่เราก็พูดนะว่าใช้สมาธินําปัญญาเอาเข้าจริงก็มีแต่สมาธิไม่มีปัญญาพวกหนึ่งบอกใช้ปัญญานําสมาธิเอาเข้าจริงมีแต่ความฟุ้งซ่านปัญญาก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีนะพวกหนึ่งบอกว่าทําสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปเอาเข้าจริงก็ขาดสตินั่งเคริบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรนะมันก็ไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาอีกนะ นั่นเราต้องรู้หลักก่อนอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําทั้งสิ้นแต่ต้องทําด้วยความฉลาดลพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าดูุระภิกสูทั้งหลายทําที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเนี่ยต้องชัดระหว่างทําไม่หลงไม่เบลอไปทําอันอื่นเสีย นะสมถะเนี่ยมีหลักการง่ายๆเลยนะธรรมดาจิตของเราเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจับอารมณ์น้นทีหนึ่งจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งพลานพลนไปทั้งวันนะสมถะเนี่ยจะเป็นการน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะพอจิตมัน ไ, มได้อยู่ในอารมณ์อันเดียวมันได้พักผ่อนนะก็ได้สงบผลเป็นความสงบต้องมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวบางคนบอกจะไม่ดูอารมณ์เลย ไม่ดูอารมณ์เลยได้ไหมจะไปอยู่ในความว่างความว่างก็กลายเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นั่นเองงั้นเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อใดมีอารมณ์เมื่อนั้นก็มีจิตอารมณ์กับจิตเป็นของคู่กันสมถะนั้นทำให้เราน้อมใจถ้าน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ของสมถะเนี่ยไม่เลือกใช้อารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติก็ได้เช่นอารมณ์ที่เป็นความคิดทั้งหลายเป็นสมมติบัญญัติ อย่างเราคิดพิจารณากายนะเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะนะเบื้องต้นพิจารณากายดูเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะก่อนนะเบื้องกลางก็ดูเป็นาธาตุเป็นขันเนใช้การคิดเอานะสุดท้ายก็ไปคิดว่ามันเป็นสุญญตาว่างเปล่าแนละ้วไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเนะนี่ยเนี่ยการใช้อารมณ์ที่เป็นความคิดนะก็เป็นสมถะหรือบริกรรมพุทโธพุทโธนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังอะไรก็เหมือนกันหมดแหละ คือเป็นอารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติก็เป็นสมถะใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะใจอยู่สบายสบายหรือจะใช้อารมณ์รูปนามก็ได้บางคนเข้าใจผิดว่าถ้ารู้รูป ร, รู้นามแล้วจะต้องเป็นมิปัสชนาไม่เป็นหรอกนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นมิปัสชนาลำพังรู้รูปนามไม่เป็นมิปัสชนาจะกลายเป็นการเพ่งรูปนาม ยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตเราไปเกาะนิ่งๆแนบอยู่กับลมหายใจใช่ไหมไปรู้อารมณ์มันเดียวคือลมหายใจอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบสิจิตไม่วิ่งพล่านไปจับอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีบางคนก็ดูท้องผ่องยุบนะจิตจับอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยอันนี้ก็ได้สมถะไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้านะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่ที่เท้าอะไรอย่างนี้นก็ได้สมถะไปขยับไม้ขยับมือนะสายลงผ้าเทียนขยับ ถ้าจิตเราแนบเข้าไปในมือนะไปเพ่งใส่มือเพ่งอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะหรือรู้อิริยาบถสี่รู้อิริยาบถสี่บางคนเพ่งทั้งตัวนะทําได้ทําใจลอยๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็เนี่ยจะขยับขยื่นนะรู้ทั้งตัวเลยนี่เพ่งกายทั้งกายก็เป็นสมถะถ้าเมื่อไหร่เป็นการเพ่งตัวอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถะทั้งหมดนะแม้กระทั่งอารมณ์รูปนามนี่ในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายมันมีหลายชนิดหนึ่งเป็นอารมณ์บัญญัตินะ 2. เป็นอารมณ์รูปนามสามอารมณ์ที่เป็นนิพพานนิพพานนี่ก็ใช้ทำสมถะได้สำหรับพระอริยบุคคลนะเวลาพระอริยบุคคลจะต้องการพักผ่อนวิธีที่ง่ายๆก็คืออยู่กับ น, นิพพานนะนี่เป็นสมถนะกา น, นสมถากรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะอะไรก็ได้ขอให้จิตเนี่ยมันไปรู้อารมณ์มันเดียวมันมีเคล็ดลับก็คือต้องรู้สบาย ถ้าเมื่อไหร่ยังจงใจรู้นะยังบังคับจิตให้รู้เนี่ยจิตจะไม่สงบหรอกจิตไม่รวมเมื่อวานก็มีพระไปหาหลวงพ่อท่านก็ทําสมถะท่านบอกเนี่ยทาทั้งวันเลยนะจิตไม่รวมเลยแต่พอจะนอนเนี่ยเลิกทําแล้วก็อเอนตัวลงไปจิตรวมเลยท่านบอกโอ้มันต้องไม่ตั้งใจนะบอกใช่ต้องไม่ตั้งใจหลวงพ่อพุทธนะเป็นครูบาอาจารย์องหนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยสอนนียสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ แต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆไม่ตั้งใจก็จะเป็นสมถะไม่เป็นหรอกเบื้องต้นก็ต้องตั้งใจไปก่อนใช่เบื้องต้นก็ต้องมีโลภะก่อนอยากปฏิบัตนะิน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์บัเดียวนี่ก็ตั้งใจนะตั้งใจไปเรื่อยคอยรู้ไปเรื่อยจิตยังไม่สงบหรอกจนเมื่อหมดความตั้งใจแล้วจิตไม่หนีไปไหนเนะนี่ยรวมลงมาเป็นสมถะนะพักผ่อนสิ่งที่ได้ขึ้นมานะได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบาย สามารถข่มกิเลสได้ชั่วคราวนะข่มกิเลสได้ชั่วคราวแล้วก็พอมันเสื่อมออกมานะกิเลสก็กลับมาใหม่น ะ, ะสมาธาเป็นแค่ที่พักผ่อนนะอีกอันหนึ่งคือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้รูปนามนะอย่าไปรู้บัญญัติอย่าไปรู้นิพพานวิปัสสนาเลือกอารมณ์ต้องรู้อารมณ์รูปนามนะรู้อะไรรู้ว่ารูปนามมีไตรลักษ ไปรู้รูปนามเฉยๆยังไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามยกตัวอย่างนะอย่างเราจะหัดดูจิตดูใจเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเนี่ยไปดูให้ไหมแล้วก็ดับไปเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจหืนไหลไปคิดแล้วก็ดับในพวกเราที่นั่งฟังอยู่ในขณะ น, นี้รู้สึกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังนิดนึงก็ต้องไปคิดจิตมันสลับไปสลับมา ถ้าเรายังทำวิปัสสนาไม่เป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวจิตมีอยู่ดวงเดียวแหละแต่จิตวิ่งไปวิ่งมาจิตนี้คล้ายๆแม่งมุมนะเกาะอยู่กลางใหญ่เดี๋ยวก็วิ่งไปทางซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางขวาเดี๋ยววิ่งขึ้นข้างบนเดี๋ยววิ่งลงข้างล่างเราคิดว่ามันมีตัวเดียวอย่างนี้ยังไม่ขึ้นมิปัสสนาแท้ๆสัน ต, ติคือความสืบเนื่องไม่ขาดถ้าเมื่อไหร่เราจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับไป จิตมาเกิดที่ใจแทนใชยังมองหน้าหลวงพ่อนะมองแวบหนึ่งเห็นไหมหน้าหลวงพ่อหายไปแล้วเราไปคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดแล้วเนี่ยจิตจะขาดกันเป็นช่วงๆนะจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเราจะเห็นว่าจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวการที่เห็นว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวนี่เรียกว่าเห็นมันเกิดแล้วมันดับไปสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดถ้าสันตติมยังไม่ขาดยังไม่ขึ้นมีปัสนาที่แท้จริง นะต้องเห็นสันติมันขาดทำไมต้องให้ขาดขาดเพื่อทำลายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรพวกเราแต่ละคนรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นคนเดียวกันรู้สึกหมในในในกายเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นคนเดิมเราคนนี้เดี๋ยวนี้นะกับเราพรุ่งนี้ก็ยังเป็นคนเดิมอีก เราจะเห็นว่าเรามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรกระทั่งเราตายนะก็ยังคิดว่าไอ้จิตดวงเดิมนี่แหละออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่เนี่ยเรียกว่าเห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดโดยการจิตถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะเราเห็นว่าจิตเที่ยงหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็เคยสอนบอกผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงแนละ้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้จริงจิตเกิดดับตลอดเวลาถ้ะเราหันรู้สึกนะหันรู้สึกตัว อย่างใจเราไหลไปคิดไหลแวบไปพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะจิตที่ไหลไปคิดจะดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นแทนเราจะรู้สึกเลยว่าจิต ท, ที่คิดกับจิต ท, ที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นคนละดวงกันจิตที่คิดมันดับไปแล้ ว, ลวเกิดจิตที่รู้สึกตัวแทนรู้สึกได้แวบเดียวหนีไปคิดอีกแล้วเวลาหนีไปคิดจะคิดยาวๆเวลารู้สึกรู้สึกนิดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็คิดใหม่ยาวๆอีกแล้วรู้สึกอีกนิดเดียวรู้สึกนิดเดียวก็พอแล้ว ไม่ต้องรู้สึกตลอดเวลานะบางคนเข้าใจผิดว่าทํามิปัสสนาต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่จําเป็นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเพราะเราไม่ใช่พระอรหันตะ์เราจะต้องขาดสตินะแล้วส่วนใหญ่ต้องขาดสติด้วยเวลาที่มีสตินั้นแวบเดียวเองแต่ว่ามีประโยชน์มากทุกครั้งที่เกิดสติขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆเราตัดตอนชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆแล้วชีวิตช่วงที่ผ่านมานั้นจบสิ้นไปแล้วเราเห็นเลยมันจบสิ้นไปแล้ว นะอย่างตอนที่หลงหลงเผลอเไปนะพอเรารู้สึกตัววับขึ้นมาเนี่ยชีวิตที่หลงที่เผลอนั้นจบสิ้นไปแล้วมันเหมือนกําลังเกิดใหม่มีคนใหม่แล้วที่มารู้สึกตัวแทนและคนใหม่ที่รู้สึกตัวเนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวนะก็ตายไปอีกละเกิดคนใหม่ที่หลงไปนะแล้วเดี๋ยวก็เกิดคนใหม่ที่รู้สึกตัวอีกเราจะเห็นเนี่ยเกิดแล้ดับเกิดแล้ดับอยู่อยางนี้นะ มันเป็นคนละคนกันตลอดเวลาเราต้องเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนเดิมตลอดชีวิตนะจนถึงชาติหน้าชาติก่อนในนี้ยังคนเดิมตลอดนีอย่างนี้เรียกว่าไม่ขาดจริงนะเพราะงั้นถ้าเราทํำมิปัสนานะเราจะเห็นเลยมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วดับถ้าคนรู้รูปนะรู้รูปมันจะเห็นเลยเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเห็นเหมือนหนังการ์ตูนเลยนะเห็นรูปนันดับเป็นรูปรูปไปเลยวับวๆบวับวับับนะหลวงพ่อทำให้ดูนะวับวัอย่างเนี้ยคําจริงมันไม่หยาบขนาดนี้นะมันละเอียด มันคล้ายๆตัวการ์ตูนถ้าสันติไม่ขาดนะเหมือนเราดูหนังการ์ตูนการ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อเคยดูนะก็คือ IQ คสังอะไรเงี้ยโดเลมอนนะหลังจากนั้นมาบวชแล้วไม่ได้ดูการ์ตูนรุ่นใหม่ละเราดูการ์ตูนเรารู้สึกไหมโดเลมอนมันเดินได้หรืออีคิสังมันเดินได้ในหนังเนี่ยมันเดินได้ในความเป็นจริงมันไม่ได้เดินใช่ไหมมันคือรูปแต่ละรูปที่มาต่อๆกันแต่ว่ามันเกิดดับต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วเราสําคัญผิด จิตเนี่ยมันมีสัญญาคือความจําได้เพราะมันเห็นรูปนี้นะมันจำเอาไว้ในใจมันแป๊บหนึ่งพารูปใหม่มาเกิดตรงนี้เนะี่ยมันจําแล้วมันก็เลยสร้างภาพในใจของมันว่ามีความเคลื่อนไหวขึ้นมานการปฏิบัตินี้เหมือนกันนะอย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวเนะี่ยเคลื่อนอเป็นชอ็ชอตๆๆเลยนะหรือจิตเราก็เกิดดับเป็นชอ็ชอตๆตลอดเลยนะแต่อาศัยสัญญาเข้าไปหมายเพราะั้นสัญญาของเราเนี่ยเรียกว่าสัญญาวิปลาส คนไทยมาแปลสัญญาวิปลาสว่าบ้านะความจริงก็คือสัญญาที่ที่มันทําให้หลงผิดไปไปสําคัญมั่นหมายเอาของซึ่งเกิดดับเกิดดับเนี่ยว่ามันเที่ยงเนี่ยเรียกว่าสัญญาวิปลาสไปสําคัญเอาของซึ่งไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนนี่มาเรียกว่าวิปลาสไปสําคัญเอาของซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขนี่เรียกว่าวิปลาสของไม่สวยไม่งามว่ามันสวยมันงามเรียก ว, วิปลาสมีสี่อันนี่อาศัย ถ้าเราจเจริญสติทำวิปัสสนานะีมันจะลบล้างวิปลาสลงไปหายบ้านะจะเห็นความจริงเลยร่างกายที่หายใจออกก็คนหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งละคนละคนกันนะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเหมือนคนใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเราเกิดใหม่ตลอดเวลานะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าๆกันแหละนะเเท่ากันหมดเลยเพราะมันเกิดใหม่ทีละขณะขณะเนี่ยพูดอย่างนี้แก่ๆแนละ้ว เราได้กำลังใจอย่างคุณมนนี้ได้กำลังใจล้นะรู้สึกโอ้ฉันยังใหม่อยู่จริงๆเราเกิดใหม่ตลอดเวลานะแต่เรามองไม่เห็นเองเแล้วเราหัดเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นมามีปัสนาเนี่ยนะเราเรามีสติรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะเห็นว่ามันเกิดเกิดดับๆับนะมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่มีตัวตนถาวรมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจออกคนหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าคนหนึ่ง นะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนแต่ละขณะแต่ละขณานะมันเหมือนคนละคนในความรู้สึกของเราจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจที่หลงไปก็คนหนึ่งจิตใจ ท, นะที่รู้สึกตัวก็คนหนึ่งจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงนะที่รู้สึกตัวเนี่ยคนละคนกันหมดเลยนี่จะเห็นเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อทําลายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถานวรถ้าเราเห็นแล้วตัวตนถาวรไม่มีเห็นไหมหน้าที่ของวิปัสสนาะณ์ทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ นี่หน้าที่ของมิปัชนาเป็นอย่างนี้ส่วนหน้าที่ของสมถะนะทำแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเราสุขเราสงบเราดีอยู่ได้นานๆ น, นะหลายๆวันบางทีมีความสุขอิ่มอยู่งนะ่านสบายบางคนถ้าดูไม่เป็นนะนึกว่าทำมิปัชนาอยู่ทำมิปัชนานะแต่ไปกดจิตเอาไว้นิดหนึ่งนะผลักกิเลสออกไปแล้วใจว่างแล้วบอกว่าทำมิปัชนาไม่ใช่ละจิตไปเกยตื้นไปเห็นมั่งคงที่แล้วเห็นไหม เห็นสิ่งที่คงที่ไม่ใช่สิ่งที่คงที่นะนั้นเป็นสิ่งที่เราไปติดอยู่เองอ่ะก็เลยไม่เกิดปัญญาแล้วเห็นมันเที่ยงแทนที่จะเห็นของไม่เที่ยงกลับไปเห็นว่าเที่ยงเห็นของที่เป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขขึ้นมารู้สึกมันมีความสุขได้นั้นใช้ไม่ได้นั้นสมถะเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีความสุขมันบังคับได้นะนี่อันตรายของสมถะข้อดีของสมถะคือทำแล้วมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงเอาไปทําวิปัสสนาต่อได้ มีทั้งคุณมีทั้งโทษมีปัสนาเนี่ยทำให้เห็นความจริงจนกระทั่งล้างความเห็นผิดได้คนที่ล้างความเห็นผิดได้ก็คือพระโสดาบันคนที่ทําลายความยึดถือได้หมดสิ้นก็คือพระอระหันยึดถืออะไรยึดถือกายยึดถือใจทําไมไม่ยึดถือล่ะก็เห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นอยู่ทุกข์เพราะบังคับไม่ได้อยู่แล้วแต่จะเห็นมันจะวางดังนั้ น, นการปฏิบัติเลยมีสองอันนะสมถะกับวิปัสนาพวกเราต้องแยกให้ดี วนะิปั ส, สนาเนี่ยสติเกิดขึ้นเองนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่มีเงื่อนไขสําคัญนะสติต้องเกิดเองถ้าจงใจให้เกิดเช่นเราจะหยิบสมมุติหลวงพ่อจะหยิบนะนาฬิกานะหลวงพ่อกำหนดจิตแนบลงไปอย่างนี้เลยนี่เป็นสมถะแล้วนะแต่ถ้าเราเราเผลอจะไปหยิบแล ร, รู้สึกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่า เ, เมื่อกี้เผลอไปหรือรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวอยูนะ่รูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเ อ, อย่างนี้ใช้ได้ หลายคนฟังหลวงพ่อเทศนะแล้วรู้ยากยากฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็วันนึงมาอาบน้ําเนี่ยถูสบู่ขัดที่ใครนะขัดไปขัดมานะตกระใจเลยไอย้นี่มันตัวอะไรเนี่ยมันรู้สึกแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่เรานะท่อนท่อนที่กําลังขัดขัดอยู่เนี่ยนี่เราไปเห็นรูปตัวจริงซึ่งไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วนะนี่แค่ขัดขี้ไคลนะยังเห็นได้เลยนะอาจจะบรรลุมรรคผลตอนขัดขี้ไคลก็ได้นะเอาไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าพร้อมเมื่อไหร่ หรือดูจิตดูใจนะบางคนดูยังไงก็ไม่รู้เรื่องดูไม่ออกนะมีอยู่คนหนึ่งฟังหลวงพ่อเทศสิบครั้งไม่รู้เรื่องเลยเทศอะไรก็ไม่รู้พระองค์นี้แต่ก็อุตส่าห์มาฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังด้วยความท้อแท้ใจเสร็จแล้วก็นั่งอยู่หลังห้องหลังสระได้ยินลมมันคัดระฆังดังกลิ้งนี่ต้องมีหางเสียงหน่อยกลิ้งใจนี้ไหลไปเลยไหลไปที่ระฆังก็เห็นเลยว่าจิตมันวิ่งไปที่ระฆังได้เลยดูเป็นเลยไหม ถ้าจงใจจะดูนะไปตั้งจ้องไว้ไหนดูซิจะดูจิตสักหน่อยดูอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเนี่ยนั่งจ้องพวกหนึ่งก็เที่ยวหาใหญ่นะหาพวกหนึ่งไปเจออะไรนิ่งๆว่างๆหนูวาอาตรงนี้ละวะจิตจ้องไว้ดูสิจะมีอะไรโผล่ให้ดูไหมไม่มีอะไรโผล่มาให้ดูเลยเพราะเราไปเพ่งเขาแล้วเราไม่ใช่วิปัสสนานะกลายเป็นการเพ่งการจ้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ความนิ่งความว่างนั้นถ้าวิปัสสนาแท้ๆนะั้นเราจะรู้สึกตัวขึ้นมา ให้สภาวะธรรมมันเกิดนะแล้วสติมันเกิดขึ้นมารู้เองอย่างนี้นใช้ได้นะถ้าจงใจจะไปจ้องไปดักดูอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ให้สภาวะมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาจะไปรู้ก่อนเกิดไม่ได้นะมันไม่มีให้ดูเนี่ยมันมีหลักของการปฏิบัตินเยอะเหมือนกันทนะี่จะทําให้ถูกะทางที่ผิดนเยอะทางที่ถูกมีนิดเดียวนะเพะั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านถอดใจเลยช่วงแรกๆนะมันยากเหลือเกินที่จะสอนให้คนอื่นรู้ตามได้ หรือครูบาจารย์ท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านเข้าใจขึ้นมานะท่านก็ถอดใจเหมือนกันนะว่าโอ้มันยากอย่างนี้ไปสอนใครเหมือนจะเข็นช้างเข้ารูเข็มเลยไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะถ้าเข็นเข้าเสาเข็มยังโตหน่อยนี่เข้ารูเข็มมันยากนั้นจริงๆแล้วต้องค่อยๆเรียนนะใจเย็นๆค่อยๆสังเกตไป น, ะนี่รู้จักแล้วใช่ไม้มสมถะกับวิปวัสสนาไม่เหมือนกันนะสมถะเนื้อรู้อารมณ์อะไรก็ได้ จะเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัติที่คิดขึ้นมาก็ได้เป็นอารมณ์รูปนามก็ได้เป็นอารมณ์นิพพานก็ได้วิธีรู้นะรู้สบายๆรู้เล่นๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องแล้วจิตมันรวมเองถ้าพยายามจะให้รวมไม่รวมหรอกนะไม่ได้สมถะถ้าจิตรวมมีสมถะแล้วจะมีความสุขมีความสงบมีความสบายนะได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงนะไม่เกิดปัญญาคนละเรื่องกันไม่มีปัญญาหรอก ถ้าวิปนะัสสนาต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามวิธีรู้รู้สบายๆนะให้สติมันะระลึกของมันเองเพราะจิตจำสภาวะของรูปนามได้สติเกิดขึ้นมาเองในขณะที่รู้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขึ้นมานะจิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์จะไม่เห็นไตรลักษณนะ์นี่เป็นหลักสาคัญนะ ม, มีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือจิตมันตั้งมั่น ถ้าจิตไม่มีสามาสมาธิจิตเข้าไปตั้งแช่ที่ตัวอารมณ์เนี่ยจะเป็นสมถะนะนั่นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเองก็จะเห็นร่างกายเนี่ยยังถูสบู่อยู่เนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาเลยนตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกขึ้นมาเองแลเพราะใจมันอยู่ต่างหากใจกับกายมันแยกออกมาไม่เห็นร่างกายกับจิตใจมันคนละส่วนกันเห็นเวทนากับจิตใจคนละส่วนเห็นจิตตสังขารเช่นความโลภความโกรยความหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันเห็นอะไรๆเป็นคนละส่วนกันหมด แต่ละส่วนแต่ละส่วนกระจายออกไปในที่สุดก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นอย่างนี้ก็ละความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันละความยึดถือก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเส้นทางเดินมีสอ ง, ส อ, งอันนะมีสมถะกับวิปัสนาเครื่อง้วิธีปฏิบัติมีสมถะกับวิปัสนานี่บางคนต้องทําสมถะก่อนบางคนทําวิปัสสนาก่อนคนละอันนะไม่เหมือนกันบางคนทําควบคู่กันไป แต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนที่เป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบนะพวกนี้เรียกว่ามีตัณหาจริตมันรักสุขรักสบายมีตัณหาจัดนั่นเองนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้นะให้ทําความสงบง่ายมันจะทําง่ายเพราะว่ารักความสุขความสบายอยู่แล้วไปทําสมถานะจิตรวมง่ายเพราะมันสบายสบายพอจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่ยอมปฏิบัติต่อแล้ว ครูบาาจารย์ท่านจะกระตุ้นบอกให้มาพิจารณากายให้ค้นคว้าพิจารณาร่างกายนะตรงที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรอันนี้เป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้ติดซึ่งจิตซึ่งติดความสงบเนี่ยหลุดออกมาะจิตเคลื่อนไหวทํางานได้แล้วมาเจริญสติค่อยรู้กายรู้เวทนาเะฉะนั้นพวกตัณหาจริตนะให้ทําสมถาก่อนพอทําทสมถะจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะก็มารู้กายหรือรู้เวทนา คนที่อินทรีย์ยังอ่อนๆให้รู้กายถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันจะไปดูเวทนาเพราะอะไรเพราะตรงที่ดูเวทนานะมันแยกย่อยออกไปแยกขันออกไปเยอะเลยถ้ารู้กายเนี่ยมันจะเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้ารู้เวทนานะมันจะเห็นกายอยู s s un, ่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่ดูยากขึ้นไปอีกอ<ๆ>ีกชั้นหนึ่งนั้นถ้าอ <ak> ินทรีย์กล้าแข็งก็จะรู้เวทนาถ้าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็จะรู้กายนี่สำหรับพวกตัณหาจริต อีกพวกหนึ่งคือพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดพวกนี้ช่างคิดคิดทั้งวันอาชีพทํามาหากินก็คิดทั้งวันนะไม่มีงานจะทําก็นั่งคิดไปอีกอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะก็ไปดูละครทีวีดูก็ตบกันไปตบกันมาใช่ไหมใจ ก, ก็เพื่มวันไว้อะไรนะฟุ้งซ่านอยู่ยางเงี้ยวั น, ว, นวันมีแต่ความฟุ้งซ่านนะให้ไปทําความสงบให้ไปเข้าฌานนะเข้าไม่ได้หรอกเข้าได้แต่พื้นคนโบราณเรียกพื้นว่าฌานนะ <c oughs> ดีแต่เลื้อยลงพื้นไปเท่านั้นเองนะ เพาะฉะนั้นทําความสงบก่อนไม่ได้พวกนี้ต้องใช้ปัญญานำนะปัญญานําก็คือให้มีสตินี่แหละรู้จิตลงไปเลยดูจิตไปนะพวกที่ทําความสงบไม่ได้เนี่ยดูจิตไปเลยเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงจะหมุนหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเราจะเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆนี่พอดูมันเกิดเกิดดับดับไปเรื่อยๆต่อไปถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะถอออยกมา มันจะถอยออกมาแล้วจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแยกกันไปสังขารทั้งหลายก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ะละส่วนไม่มีตัวเรานนี่เดินไปอย่างนี้ก็ได้อีกพวกหนึ่งทําสมาธินะอยู่อัปปนาสมาธิทรงอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วถอยออกมานิดหนึ่งจิตเคลื่อนออกมานิดหนึ่งไม่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ภายในเห็นจิตเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ภายในนะ จะเคลื่อนไหวเห็นมันทํางานยิบยับยิบยับยิบยับอยู่ภายใ น, นนะจิตก็ตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่พวกนี้ใช้สมาธิกับปัญญาควบคู่กันไปเพระฉั้นทางเดินเนี่ยทางใครทางมันนะมีหลายแบบใช่ไหมใช้สมาธินําปัญญาก็ได้สําหรับพวกตัณหาจริตนะพอมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มารู้กายรู้ เ, เวทนานะสําหรับพวกทิฏฐิจริตคิดมากนะใช้ปัญญานําสมาธิดูลงไปเลย ถ้าปัญญายินซียังอ่อนนะก็ดูจิตถ้าอินซีย์กล้าแข็งก็ดูธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาดูกระบวนการทํางานของธรรมะนะเช่นดูปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครบรรลุด้วยปฏิจจสมุปบาทนะถ้าที่ดูมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งะคนอื่น้อ่านยังไม่เจอนะเราะนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นจนะนะดูนิวรณ์ดูโพชฌงค์ดูอะไรเงั้นไปดูขันนะ ทำมานุปัสสนานะดูไปไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปกระ nam เนี่ยดูอย่างนั้นเราะนั้นถ้ายินทรีแก่กล้าก็าจะไปเจริญทำมานุปัสสนายินรีย์ไม่แก่กล้านะก็เจริญจิตตานุปัสสนานะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ต้องเรียนแบบกันอย่างพวกรู้กายอย่างมีทั้งเยอะแยะบางคนก็รู้ลมหายใจใช่ไหมบางคนก็รู้ท้องฟองยุบรู้เท้ารู้มือรู้กายทั้งกายได้สารพัรูปแบบ ไม่ต้องทะเลาะกันนะแต่ว่าขอให้จับหลักให้แม่นถ้าถ้าทําผิดหลักก็เป็นสมถะไปหมดเลยหรือไม่ก็ไม่ได้สมถะด้วยได้แต่กดข่มบังคับตัวเองหาความสุขหาความสบายยังไม่ได้เลยก็ไม่ใช่สมถะอีกนะสมถะกับสมาธิก็ไม่เหมือนกันนะสมถะเป็นกระบวนการทําจิตให้สงบสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตบางคนไม่ได้ทําสมถะจิตก็มีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นได้ นั่นต้องแยกกันนะค่อยๆเรียนไปเรื่องที่ต้องเรียนมันก็มีมากแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือให้คอยรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งจิตนะรู้สึกไปอย่าไปเพ่งใส่ให้มันนิ่งนะแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปถัดจากนั้นก็ใช้ความสังเกตไปเรื่อยๆนะภาวนามาหลายวันแล้วจิตดีตลอดเลยอันนี้ต้องทําอะไรผิดสักอย่างแล้ว จิตมันไม่ควรจะดีตลอดในภูมิของเราขณะนี้มันต้องเจริญแล้วเสื่อมนะรู้สึกภาวนามาหลายวันไม่เสื่อมเลยมีแต่เจริญต้องทำอะไรผิดนะต้องค่อยๆสังเกตเอาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้ก็ต้องโยนิโสมนานัสิการสังเกตเอาสังเกตอย่างแยบคายโยนิโสมนานัสิการไม่ได้แปลว่าคิดฟุ้งซ่านเอาเองนะไม่ได้ใช้ปัญญาของเราแต่มันเป็นการสังเกตเทียบเคียง ต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้ไม่ใช่โยนิโสตามใจชอบตามใจกิเลสใช้ไม่ได้จริงหรอกนันเราสังเกตนะบางคนภาวนาแล้วใจเบาว่างเลยหลวงพ่อเองเคยเป็นต้องไปเจออาจารย์มหาบวชท่านแก้ให้ใจเราว่างอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้น ะ, ะว่างเหมือนโลกธาตุนี่ว่างไปสบายมีแต่ความสุขเียแต่ทาไมว่ามันไม่พ้นกิเลสนนนานกิเลสยังวกมาฉกเอาอีกอย่างี้ ไปถามท่านนะบอกผมดูจิตอยู่นะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าดูถึงจิตถึงใจแล้วไม่มีทางจะไปต่อแล้วให้ทำไปเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมนี่ผมทำมานานแล้วไม่เห็นมันงอมสักทนะีท่านมองหน้าวับเนะท่านบอกเลยไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนี่ตอนนั้นท่านพูดยังไม่เข้าใจนะอย่างตอนนี้มาเห็นพวกเราจำนวนมากเลยที่ว่าดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้ว นะมันสบายมันไปโปร่งโปร่งโล่งโลเบาเอยู่ทั้งวันเนื้อกระจายออกไปข้างนอกออกจิตกระจายออกไปอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยโล่งโลง่อยู่เงี้ยสมวันสมคืน3ปี4ปีก็อยู่ได้นะอยู่ได้กลายเป็นติดสมถะโดยไม่รู้ตัวนั้นดูจิตดูจิตถ้าไม่ระวังก็ติดสมถะได้นะต้องระวังค่อยๆสังเกตเอาในหลวงพ่อสังเกตองมันผิดปกติน่าทาไมไม่เห็นมันพัฒนาเลยมันไม่เดินปัญญามันไม่เดินปัญญานะมันว่างลูกเดียว ไปติดความว่างอยู่ดีว่าบุญนะไปเจอครูบาอาจารย์ท่านชำนิชานานท่านมองปลาท่ทานบอกเลยดูไม่ถึงจิตหรอกแล้วก็ค่อยๆมาสังเกตเอาใหม่เข้าใจก็เออจริงๆด้วยจิตออกนอกไปแล้วนันต้องค่อยสังเกตเอาถ้าไม่มีกาลยานามิตรก็ต้องอาศัยโยนิโสมานสิการคือถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจได้เราก็ต้องอาศัยความช่างสังเกตของเรา สังเกตดูว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสภาวะธรรมทั้งหลายควรจะไม่เที่ยงถ้าเกิดเที่ยงแล้วผิดแน่ๆสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกมันสุขทุกวันเลยต้องผิดแน่ๆสภาวะธรรมทั้งหลายบังคับไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าบังคับได้ต้องผิดแน่ๆเนี่ยต้องสังเกตต <Wow. S 3> in ัวเองนะถ้าผิดแล้วก็ค่อยสังเกตเอาว่ามันผิดยังไงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในการสังเกตสิ่งที่ทำผิดนะคือตอนตื่นนอนใหม่ๆ อันนี้สําหรับคนที่ออกจากฌานไม่เป็นถ้าคนเข้าฌานได้นะตอนนาทีทองเลยก็คือขณะจิตที่ถอยออกมาจากฌานมีสติรู้กายรู้ใจตรงนั้นเลยเราจะรู้เลยว่าตรงที่มันเคยไปติดอยู่เนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไปตรงไหนเข้าไปในรูนี้เข้าช่องนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้เราไปแช่ปึกเข้าให้ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าฌานไม่ได้นะเล่นมันตอนตื่นนอนนะนอนตื่นนอนพอตื่นนอนปุ๊บ อ, อย่ามวัวแต่บิดชี้เกียรตินะคอยสังเกตใจเลยใจมันจะทําอะไร ใจมันจะขยับกุ๊กยิ๊กกุ๊กยิ๊กเอาละเลื้อยเข้าช่องนี้แล้วปุ๊บแล้วไปอยู่ตรงนี้3าวันสามคืนได้เลยก็คอยรู้ทันมันสังเกตมันอะไรอะไรก็สู้ความสังเกตของเราไม่ได้มีสตินี่แหละมีสติมีปัญญานะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วนะอย่าเชื่อง่ายมันกิเลสมันทนสติทนปัญญาของเราซักฟอกเข้ามาไม่ได้หรอกต้องสักฟอกลงไปสังเกตเท่าไหให้ถึงจิตถึงใจกิเลสไม่ได้ซ่อนอยู่ที่อื่นกิเลสซ่อนอยู่ในจิตใจเรานี่เองนะมีสติรู้ลงมา สังเกตลงไปเรืได้นะ e แต่ไม่ใช่คิดมากคิดมากแปลว่าฟุ้งซ่านให้สังเกตสภาวะเเช่นดูว่ามันทํางานยังไงถึงจะเรียกว่าสังเกตถ้านั่งคิดเอาเองจิตตอนนี้เราโกรธหร fall. ือไม่โกรธนะจิตตอนนี้รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าช่างสังเกตแล้วนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะเพราะฉะั้นภาวนาแล้วเกิดสงสัยนะว่าเอะตอนนี้รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยให้รู้ไปเลยว่าขณะนั้นกำลังฟุ้งซ่านไม่รู้หรอก นะตอบได้เลยนะไม่ต้องถามนะวันเนี้ยชอบถามทุกวันเลยเรื่องตองภาวนาแล้วตรงนี้รู้หรือไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรอกนะตรงนั้นกําลังฟุ้งซ่านอยู่ยวถ้ารู้แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอ่นะได้ครึ่งชั่วโมงวันนี้ทําไมเทศยาวสงสัยฝนตกนมัสการจ้ะค่ะเพิ่งฝึกเจเริญภาวนาเลยคะ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาตรงที่ว่า หลงค่ะแล้วก็หลงนานแล้วแล้วก็หลงวันหนึ่งอยู่ประมาณสองามครั้งตอนนี้หนักขึ้นกว่าเดิมคือรู้ตัวทีไรก็จะถอนหายใจพร้อมไปด้วยเนี่ยค่ะกับเรียนหลวงพ่อค่ะทำไมต้องถอนหายใจอ่ะไม่ทราบคำติดขึ้นมาเฉยๆค่ะพอรู้ปุ๊บก็จะถอนหายใจตามเลยนอย่าไปเกลียดความหลงค่ะหลงไม่เป็นไรนะแต่หลงนานน่าเกลียด <c oughs> จิตของเราต้องหลงจิตเราหลงตลอดเวลาแหละเดี๋ยวก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดแต่ถ้าหลงไปแล้วเรารู้ไวๆเนี่ยใช้ได้ยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีนะยิ่งหลงบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยพะหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะเดี๋ยวนี้มีคนไปส่งกันบ้านนะบอกว่ากี่นาทีนะเขาห้านาทีหรือ่าเอ็นาทีหนึ่งเขาหลงสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดียิ่งหลงเยอะยิ่งดีค่ะซึ่งตอนแรกภาวนาครั้งแรกเนี่ย จะรู้ชัดเจนค่ะแล้วขณะที่ฝันเนี่ยก็ตามไปรู้ในฝันอีกคือมันมันพอมันจําได้นะว่าภาวนาทํำยังไงเนี่ยมันจะเริ่มไปทําการภาวนาขึ้นมาค่ะมันจงใจที่จะปฏิบัติโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะจิตมันจําได้แล้วว่ารู้สึกตัวเป็นยังงีั้นเอาแล้วว่าพอตื่นขึ้นมาจ้องมันตรงนี้เลยคอยดักดูไปแล้วนะดักดูจนใจมันซึมไปเนี่ยขณะนี้ยหลงแล้วรู้สึกไหมล่ะรู้ค่ะ ขนาดนี้นกดใจไว้ให้มันซึมซึมเชื่องเชื่องอ่ะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเออตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นนั่นน่ะจิตใจมันตื่นเต้นเองอแต่ตรงที่เราไม่อยากให้มันตื่นเต้นเราไปกดเอาไว้เนี่ยอันนี้เราไปทําขึ้นมาตรงที่จิตปรุงแต่งน่นไม่เป็นไรแต่ตรงที่เราปรุงแต่งจิตเนี่ยคือการสร้างพบสร้างชาติแล้วนะยิ่งนั้นให้เรารู้ทันอย่าไปปรุงแต่งจิตให้ดูจิตที่ปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งจิตอย่างเนี้ยจิตหนีไปคิดแวบแวบ เคยรู้ไปเห็นไหมนาะทีหนึ่งไปทั้งหลายทีแล้วเ<ะ>นี่ยอย่างนี้จะหลงบ่อยนะออแต่ถ้าเราไปตรึงจิตให้ซึมกับทือไว้เงียเนี่ยบอกโอ้มีสองพวกนะพวกหนึ่งรู้สึกว่าไม่หลงเลยพวกหนึ่งรู้สึกหายไปไหนเลยเพ่งจนซึมไปเลยคือถ้าหลงแล้วก็ไหลไปเลยค่ะพอหลงพอรู้ปุ๊บพอรู้ว่าหลงก็จะไหลเลยค่ะอ่านั่นแหละถูกแล้ววิหารธรรมก็ไม่เจอแล้วอ่ะไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นทุกคนเลย พอสติเราเร็วขึ้นนะตอนเราหลงไปเนี่ยพอเรารู้ปั๊บเนี่ยนะพอรู้เนี่ยมันรู้ได้ชั่วขณะเท่านั้นเองถัดจากนั้นเนี่ยนะจิตจะปรุงต่อแล้จะเริ่มไหลไปหาอารมณ์มันใหม่ละจิตมันยังหิวอารมณ์อยู่นะแล้วต้องดูไปอีกนะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะอารมณ์ทั้งหลายนี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยจิตก็มีแต่ตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยดันถึงจะไม่ไหลนะเพราะฉะั้นเราขนาะนี้ยังไงหลงก็ต้องไหลเขาเรียกว่าหลงไหลงไง แล้วต้องแก้ตรงไหนคะก็คือแก้อีกแล้วให้รู้สิรู้ไปรู้จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไ, ไม่ใช่แก้นะแก้ไม่ใช่วิปัสนาแก้เป็นเรื่องของสมถะนะ <c oughs> ต้องเพิ่มจากเสมาธิเพิ่มด้วยไหมคะสมาธิเยอะไปแล้ว <c oughs> อย่าให้ซึมนะทําในรูปแบบแต่ทําแบบมีสติเช่นเดินจงกรมเดินด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะ <c oughs> ไม่ใช่เดินจงกรมแล้วน้อมใจให้ซึมนะ เดินไปเรื่อยๆใจไหลแวบรู้สึกใจไหลแวบรู้สึกนะถ้าไม่รู้ใจก็เห็นร่างกายนี้เดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูต้องอย่างนั้นน ะ, ะอ้าวต่อไปเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าถามหลายข้ อ, อว่าไป ก, กราบน้ำมการหลงพ่อคะ่ะเออก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูหน่อยค่ะว่าเออหนูตรงไหนที่แบบว่าที่ติดแล้วไม่รู้หรือว่าช่วยแก้คะ่ะอย่าไปกังวลเรื่องติดแล้วไม่รู้นะค่ะ ยังไงก็ติดถ้าไม่ติดก็หลุดพ้นเท่านั้นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นสภาวะจิตเนี่ยจะมีปัญหาอยากปฏิบัตินะอยากหลุดพ้นอยากดีอยากได้อะไรเนี่ยแล้วมันต้องทํางานขึ้นมาหน้าที่เราก็คือจิตมันไปปรุงแต่งอะไรคอยรู้ทันมันถึงจะไม่ติดถ้ารู้ไม่ทันแล้วติดอยู <c oughs> ย่ะจนกระทั่งวันหนึ่งรู้ทันก็ไม่ติดอย่า ก, กลัวติดยังไงก็ต้องติด <c oughs> เอแล้วก็บางทีพอพอเข้าไปรู้เนี่ยค่ะคือคือ ใช่แล้วใช่ปะคะที่ที่เห็นเนี่ยคะ่ะ เ, เราก็บางทีคือพอรู้แล้วมันก็คือมันมีแรงดันอยู่แล้วก็มีเข้าไปแทรกแซ ง, ง, งตรง<ห>แรงดันนั่นแนหะคือตันหามันจะผลักดันน ะ, ะให้เรามีสติรู้ทันถ้าจิตจะเข้าไปแทรกแซงรู้ว่าจิตอยากแทรกแซงรู้ลงไปเรื่อยๆนะเราบางทีก็จะมีจงใจเข้าไปดูมากไปอะคะ่ะ ม, มีจงใจก็รู้ว่ากําลังจงใจอ ย, อยู่ เห็นง่ายขนาดนั้นเห็นมีอะไรเลยก็รู้เป็นแล้วก็ดูไปสิค่ะถือว่าถือว่าหนูดูโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเคถ้าเห็นสภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะค่ะก็โอเคพวกที่ไม่โอเคนะอันแรกเลยพวกที่ไม่เห็นสภาวะ เช่นใจลอยไม่รู้ว่าใจลอยโลภไม่รู้ว่าโลภโกรธไม่รู้ว่าโกรธฟุ้งซ่านหดหูไม่รู้ทันเนี่ยพวกนี้ไม่เห็นสภาวะอันนี้ไม่โอเคอันที่หนึ่งพวกที่สองเห็นสภาวะแต่ไม่เป็นกลางกับสภาวะอันนี้ไม่โอเคอีกชั้นหนึ่งนะเช่นตอเห็นเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบมันอยากให้หายเนี่ยไม่โอเคละถ้ารู้ทันว่าไม่ชอบโอเคอีกละนะถูกกับผิดเนี่ยนะ เหมือนเราภาวนานะในระบบดิจิตอลรู้ไหมมีแต่ศูนย์กับหนึ่งไม่ถูกก็ผิดนี่แค่นั้นแหละแล้วอย่า ก, กลัวนะยังไงก็ต้องมีศูนย์กับหนึ่งเพราะมันเกิดดับไปเรื่อยๆกราบน้ำพส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะออยอมปฏิบัติแบบพองยุคมาประมาณหนึ่งปีหลังจากฟังซีดีอะค่ะ ก็เริ่มมาตามดูจิตนะคะก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะเห็นจิตเราเปลี่ยนไปจากเดิมไหมก็รู้สึกว่าสงบขึ้นแล้วก็สติไว้ขึ้นเจ้าค่ะก็ดีแล้วนะรู้สึกไ้มว่าใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเจ้าค่ะถ้าเราไปกําหนดไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็นิ่งๆไปะกําหนดไปว่ากดเมื่อไหร่กดเมื่อนั้นก็นิ่งเลยบางทีก็ดูกายไปเพ่งกายดูจิตไปเพ่งจิตกายก็นิ่งจิตก็นิ่ง ได้สมถะอยู่กดไปเรื่อยๆตอนที่กดยังไม่มีสมถะนะตอนเลิกกดพวกจิตรวมเนะนี่ได้ความสงบครับแต่ถ้าเราหัดรู้ไปหัดรู้สึกตัวนะเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเนะี่ยสังเกตไมมร่างกายเราก็เบาจิตใจเราก็เบาเนะีเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันเลยถ้าดูไปอย่างนั้นแหละภาวนาที่ภาวนาใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะแ ล, แล้วเบาขึ้นเยอะแล้วค่ะขอบพระคุณจัง กับนวะัต ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ช่วงนี้ฟุ้งแล้วก็หลงนานเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อข่าวที่แล้วก่อนน้นหลวงพ่อกรุณาให้กันบ้านก็ปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้แบบงงๆว่าแต่ยังอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่านี่ไงงงรู้ว่างงก็ถูกเป๊ะเลยนะถ้างงแล้วค้นคว้าหาเหตุหาผลก็ไม่ถูกแล้วหลงและกิเลสทั้งหมดจะพาให้เราหลง กิเลสนั่กลัวเราภาวนากลัวเรารู้กายรู้ใจถ้าเรารู้กายรู้ใจเรื่อยๆเราจะพ้นอำนาจของกิเลสไปเรานั้นเขาจะหลอกให้เราหลงตลอดเลยเนี่ยเวลากิเลสทุกตัวนั่นจะทําให้เราเลิกรู้กายรู้ใจใช่ไหมอย่างพอเราสงสัยขึ้นมาเราก็ไปคิดใช่ไหมเราไม่รู้ว่ากําลังสงสัยเรารักขึ้นมาเราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากําลังรักเราโกรธขึ้นมาเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่ากําลังโกรธกิเลสทุกตัวทําหน้าที่เดียวกันนะให้เราลืมกายลืมใจ นะั่นจะไปหลงกลมนะันนะถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยขนาดนั้นอยู่ในลู่ในทางเรียบร้อยแล้วถ้าสงสัยแล้วก็เตรียมจดไว้เดี๋ยวมาสาลาลุงชินจะมาถามหลวงพ่อประโมทนะเนะนี่ยหลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะกรุณ า, าถามหลวงพ่ออีกนิดนึงคือช่วงบางวันที่สติเกิดนะคะหลวงพ่อเวลาหลงไปเนี่ยก็รู้ว่าว่าตัวเองหลงแต่มันจะเบาๆแล้วก็มไม่ทราบว่าตัวเองรู้หรือไม่รู้เดี๋ยว งงๆหรือคะว่าที่ปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนเนี่ยช่วงแรกๆ ก, ก็รู้สึกว่าเออจงใจอย่างที่หลวงพ่อกรุณาแนะนําำนะคะ่ะคือทำไมตอนแรกรู้ชัดตอนนี้รู้สึกมันไม่ค่อยแตกต่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในที่มืดจุดไม่ขีดก้านเดียวก็สว่างแล้วตอนนี้เราเริ่มมาอยู่ในห้องที่สว่างขึ้นนะจุดไม่ขีดขึ้นมาก็ดูไม่ค่อยแตกต่างความแตกต่างมันน้อยลงพอน้อยมากๆนะก็ชักงงแล้วยังรู้หรือไม่รู้เมื่อก่อนทําไมรู้แล้วแม้ต่างกัน คอนทราสต์เยอะใช่ไหมต่างกันเยอะเดี๋ยวนี้ทำไมเนียนๆดูยากขึ้นนะก็เพราะว่าเราเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราหลงอยู่ในความมืดตลอดเนี่ยพอรู้สึกตัวครั้งแรกนะวูบวาบรุนแรงเลยนะจ้าค่ะตอบคำถามให้ยังได้จ้าค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ตอนนี้ไปกดไว้ดีแล้วที่ฝึกอยู่ไปฝึกอีก อยากพูดเราก็รู้นะตอนนี้เริ่มไปกดไว้อีกล้รู้สึกไหมเนี่ยรู้สภาวะลงปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยหลวงพ่อจะกรุณาให้กันบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะกันบ้านเหรอกันบ้านก็ไปฝึกต่อนะฝึกยังไม่พอต้องทําไปเจ้าค่ะวันไหนที่พอรู้ไหมวันใดที่พ้นอนํานาจความปรุงแต่งของกิเลสก็พอนล้วแหละเจ้าค่ะงั้นนักปฏิบัตินะสู้ตายนะฝึกไปเรื่อยอย่ารีบร้อนบางคนนะฝึกมาตั้งเดือนแล้วแหมบน ยังไม่บราารลุพระอรหันต์สัทีมากไปหน่อยนะกลับตออพระคุณใจเย็นคๆคอยรู้คอดูของเราไปนะขยันดูนะแต่อย่าหวังผลขยันทําเหตุแต่อย่าอยากได้ผลถ้าอยากได้ผลแล้วไม่ได้เลยนะเพราะกิเลสเอาไปกินหมดเอามีใครล่กใครเอาว่าไปนรมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ติดสมาธิเจ้าค่ะนั่ง อ, อยู่เฉยๆก็คอเคสแล้วก็ มันหลุดออกมาทำไมติดสมถะแล้วพอเครียดล่ะมันตั้งใจดูอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะอันนั้นมันไม่ใช่สมถะหรอกมันมีการบังคับตัวเองจนเครียดนะคะถ้าสมถะจริงๆทำแล้วมีความสุข ค, ความสงบนะเจ้าค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันหายไปพักหนึ่งช่ไหมเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็คือหลงยาวขึ้นค่ะถูกต้องแล้วแต่ว่ามันรู้ตัวได้ธรรมชาติขึ้นแต่รู้น้อยลงเจ้าค่ะถูกต้องแล้ว คือ แ, แตเดิมนะัเรารู้สึกเหมือนรู้ตัวทั้งวันน ะ, ะเพราะว่าเราจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาพอเราไม่เพ่งจ้องเนี่ยจิตมันก็หลงไปบ้างใหม่ๆเนี่ยนะหลงไปนานกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งนะเพราะจิตจําสภาวะไม่แม่นต่อไปมันจิตจําได้นะว่าอาการหลงเนี่ยไหลๆไปอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้พอไหลแวบเนะี่ยสติเกิดเองเลยมันจะหลงสั้นลงสั้นลงสติเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าสติหนูไม่เกิดถี่ขึ้นนะเจ้าค่ะรู้สึกว่าหลงหน้าแล้วก็ สับสนแล้วก็เศร้าแช่ให้ดูตรงนี้เออก็รู้ตั้งเยอะแล้วนี่แช่ก็รู้ว่าแช่เศร้าก็รู้ว่าเศร้ามันมันไม่พอใจแล้วมันก็นั่นแหละเห็นไหมได้อีกตัวแล้วไม่พอใจเห็นไหมปัญหาของคุณนะรากเน่าของปัญหาของจิตใจในขณะนี้นะคือโทสะมันแทรกให้รู้ทันลงไปว่าจิตมีโทสะแล้วเจ้าค่ะแล้วมันก็ซึมแช่แช่อย่างเดี๋ยวทําให้หลวงพ่อดู ไ, ไม่ต้องทํา ต, ตอนนี้ก็แช่ตอนนี้ก็แช่อยู่แล้วเจ้าค่ะ รู้สึกไหมมัไม่ปลอดปลงเต็มที่รู้สึกใช่ค่ะแต่รู้สึกว่ามันหลุดออกมาจากเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่ใช่ไม่ยังติดอ้าวลองทําให้ดูอ้าวอย่างนี้แหละค่ะออย่างนี้แหละติดแล้วแหละแล้วมันช่วยให้มันหลุดออกมาได้ไหมเจ้าค่ะอยากหลุดไหมอยากหลุดรู้ว่าอยากทําไมต้องอยากหลุดเพราะมีโทสะเพราะไม่ชอบมันหลวงพ่อถึงบอกคุณไปดูโทสะนะโทสะแทรกละเจ้าค่ะงั้นภาวนาเนี่ยบางที หงุดหงิดใจขึ้นมารู้สึกไหมมันหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจ <c oughs> เออนั่นแหละจะเอาอย่างใจมันก็เลยไม่ได้อย่างใจถ้าตามรู้ใจนะใจจะเป็นยังไงก็ได้เอ่ถ้าะจะเอาอย่างใจเรานะที่ต้องการนั้วก็มันไม่ได้อย่างใจหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ่ะแล้วเวลาดูจิตแล้วมันเห็นแต่ทุกข์ก็เจ้าค่ะเห็นอะไรนะเห็นทุกข์เจ้าค่ะกก็แล้วนี่จิตใจมันก็เศร้าหมองค่ะว่ามันเศร้าหมองเป็นกิเลสที่แทรกเห็นจิตมันเป็นทุกข์แล้วทําไมเราต้องเศร้าหมองอ่ะ จิตมันทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของจิตเพราะว่าเราไปยึดถือจิตมาเป็นตัวเราเราก็เลยทุกข์ไปด้วยโดยธรรมชาตินั้นขันเป็นทุกข์นะขันมันเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองผู้มีสติมีปัญญาก็ต้องเห็นขันเป็นทุกข์แต่ว่าเราไม่ทุกข์กับมันนะจิตไม่ทุกข์กับมันด้วยหรอกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองอย่าให้ลงไปแช่ปัญหาใหญ่ก็คือมันทอแท้ทอดอะไรทีแรกเกลียดกิเลสนะแล้วทอดแท้ทอดอะไรอยากบรรลุไวยไวยอะไรย่าเงี้ย พอลงไปนอนแช่ก็โมโหอีกเนี่ยไปดูน่ากิเลสตั้งหลายตัวที่บรรยายมานะก็ถูกทุกตัวเลยนะแสดงว่าดูเป็ดแล้ว <laughs> พอช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยได้นะ <laughs> ช่วยได้นะไดาอาต่อไปนำมัสการหลวงพ่อไหนไไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนคนนี้ค่ะค่ะนำมัสการหลวงพ่อก็คือ จากที่มาศาลาครั้งแรกก็ประมาณสองปีที่แล้วอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีโฟเกสเลยอะค่ะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าคือจากที่มาครั้งแรกกับวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเมื่อใจมันเบากว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมเวลากิเลสเกิดยังเฝ้ารู้บ้างรู้สึกไหมค่ะเอแต่ก่อนไม่รู้นี่กิเลสครอบทั้งวันไม่ได้เห็นมันเลยแต่ก่อนใจนิ่งๆทื่อๆ อ, อ, อยู่ค่ะตอนนี้ใจขยับเยื้อนเคลื่อนไหว ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ก่อนก็มืดๆมัวๆตอนนี้สว่างมากกว่าแต่ก่อนอ่าแล้วบอกว่าเหมือนเดิมนะมันเหมือนตรงไหนล่ะก็เหมือนช่วงหลังจากที่มานมัสการหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยพอมาเสร็จแล้วสักพักนึงประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มคลายออกมาจากที่ตอนนั้นเพ่งปึ๊กลงไปแต่ว่าหลังจากนั้นมาถึงตอนนี้ก็หลงนานเหมือนเดิมค่รู้สึกว่าไม่มีผลงานใช่ใไหม มันนานมากแล้วค่ะหลวงพ่อนานมากสังเกตเอาใจเราไปติดไปข้องอะไรอยู่เป่าจิตเหมือนขนาดนี้ไหมปกติตถ้าจิต<ะ>เหมือนตอนเนี้ยมันไม่พัฒนา<ะ>เพราะมันไปเพ่งเอาไว้มันไปกดเอาไว้ค<ะ>่ะนะเพราะฉะนั้นไปสังเกตเรานะถ้าจิตเราไปเพ่งเอาไว้ไปกดเอาไว้หรือบางทีจิตมันไม่เข้าที่นะเนี่ยขนาดนี้กดแรงกว่าตะกี้แลแค่ะนะจิตของคุณมันไม่ถึงฐาน รู้สึกไหมมันรู้สึกตัวโปร่งๆโล่งๆนะแต่มันอยู่นอกๆสังเกตไหมมันไม่ย้อนมารู้กายมันไม่ย้อนมารู้ใจใช่ค่ะปัญหาอยู่ที่นี้ให้รู้ลงไปว่าจิตมันไม่ย้อนมารู้กายรู้ใจอย่าไปดึงให้มันมาหากายหาใจนะให้แค่รู้ว่ามันไม่ย้อนเข้ามาหากายหาใจแล้วยวม่เข้ามาเองะถ้าจิตมันไม่เข้ามาถึงฐานไม่มาดูกายดูใจมันเจริญปัญญาต่อไม่ได้รู้สึกไหมมันไม่เข้ามารู้สึกไหมใช่ค่ะมันอยู่ข้างนอกๆมันอยู่นอกๆนั่นแหละ ที่หลวงพ่อก็เคยเป็นนี่บอกไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วไปอยู่นอกๆหมดแ ล, แล้วถ้าอย่างนี้นี่ควรจะทำยังไงอะค ะ, ะให้รู้ทันว่าจิตอยู่นอกๆสอิอ๋อรู้เหมือนรู้ตอนอย่างเนี้เหรอคะใช่รู้อยู่ตอนนี้จิตไม่เข้ามาก็รู้ว่าจิตไม่เข้ามา ะ, ะอยากให้เข้ามารู้ว่าอยากถ้าอยากให้เข้ามาแล้วรู้ไม่ทันจะดึงรู้สึกไหมพยายามดึงอุตรุษนะใช่อย่าดึงนะให้รู้เฉยๆ สิ่งที่ผิดนะมันมีสองอันนะส่งนอกออกไปแล้วไปกระจาย ว, าว่างๆอย่างนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งส่งในนะถ้าไปหลบอยู่ข้างในซึมๆเสื่องๆอยู่ข้างในใช้ไม่ได้ทั้งคู่เห็นไ้ยชักโมโหละนะเริ่มไปอัดมาแล้วรู้สึกไหมค่<ฮ>ะ อ, อ, อย่าไปแทรกแสงให้คนอื่นบ้างครับเกีับน้ำส ก, กานะคุณพ่อออนนี้รู้สึกว่าอยากจะถามมาตั้งแต่คนแรกนะครับแล้วก็จิตอนนี้ยังสั่นเลยครับ เออคืออยากจะกลับถามเรียนคุณหลวงพ่อว่าครับคือผมจะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคิดมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ข้อศึกษาธรรมะทั้งหลายปีนี้อ่านจากตำราแล้วฟัง f อ AM อะไรอย่างนี้แบบนี้ครับคือผมก็จะไม่ทราบว่าจริตแบบไหนที่จะถูกตัวผมมากครับมันแข็งแข็งทื่อๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะซึมซึมไม่ไป ข, ของคุณของคุณโมหะมันมากนะอ๋อครับเพรา ะ, ะนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันก็ฟุ้งซ่านไป พอไปทําสมาธิมก็ซึมไปเลยครับว่าจิตถ้ามันฟุ้งซ่านสุดขีดแล้วก็ซึมมันก็เวี่ยงกลับข้างกันเหมือนจยงจิตช่วงไหนราคะมากอีกช่วงก็โทสะมากมันเวี่ยงกลับข้างนะช่วงไหนฟุ้งซ่านมากนะพอไปทําความสงบ ก, ก็สงบซึมลงไปมากครับเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันนะ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกไว้นะครับเอาร่างกายมาช่วยนะร่างกายไปเดินเยอะ ครับเดินก้าวไปก้าวมานะหันซ้ายหันขวาเนี่ยคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งนะครับแค่รู้สึกรู้สึกครับผมว่าครับแต่ว่าบางที่ตอนที่ผมจะไปออกกาลังกายอย่างงี้ครับแล้วก็พยายามองค์แบบนนั่แหลใช้สุภาษะครับว่ามาเรื่อนั่นแหละไปทําทํำอสุภาะเพื่ออะไรของเพื่อเพื่อให้จิตมันสงบมันไม่ต้องส่งออกนอกอสุภาะอสุภาะนั่นแหละส่งออกนอก อ๋อเอเออครับอสุภะนะมันพิจารณากายนะเป็นของไม่สวยไม่งามเขาทำเพื่อข่มราคาถ้าขนาดนั้นไม่ได้มีราคาแล้วจะไปข่มราคะอะไรกลจิตสงอกนอกครับก็อยากให้มันดมั้ขนาดนั้นออกนอกคือลงมาอยู่ในโลกของความคิดใครับให้รู้สึกตัวนะของคุณน่ะคิดให้น้อยๆเลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ในการปฏิบัตินะ แล้วสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคุณคอยรู้สึกเอาครับแล้วอยากจะถามหลุงพ่ออีกเรื่องครับคือมัดนี้ผมอยู่จะมีกูเขียวมันจะขึ้นมาครับผมก็กลัวกลัวมากก็เลยจะให้เพื่อนบ้านกับผมแล้วก็จับใส่กระสอบแล้วมันปากถุงแล้วจะพาไปทิ้งโดยที่มันปากถุงนะครับแล้วก็จิตจะกังวลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่กูเขาจะมาที่บ้านนะครับ มันก็ได้ปรุงปรุงไปเรื่อยทุกวันนี้อยู่บ้านต้องเปิดไฟนอนนะครับมันยังยังกลัวอยู่ครับมันมันฟุ้งไปตลอดนะครับก็ให้รู้ทันนะว่าใจฟ<อ>ุ้งซ่านกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวฮะรู้ลงสภาวะปัจจุบันไปเพราคุณต้องตัดเครื่องพะรุงพลังในใจทิ้งไปให้หมดนะอย่างการศึกษาอ่านตำรับตําราเปรียบเทียบอะไรเนี่ยทิ้งไปก่อนครับตอนนี้หัดรู้สึกตัวให้มากมากแล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้จิตใจมันหนีไปคอยรู้สึกไว้ครับ คำของพระคุณหลวงพ่อมากครับกลาะอาจารย์ครับขอโอกาสครับผมผมปฏิบัติมาหกเดือนแล้วนะฮะภาวนามามีตัณหาจริตเยอะอะฮะแล้วก็จิตรวมมาแล้วะฮะก็พัฒนาต่อไปไม่ได้อะครับผมอ๋อเราเวลาจิตรวมแล้วเนี่ยตอนที่มันรวมมันพักผ่อนได้ช่างมันเสร็จแล้วเราออกมาคอยรู้สึกร่างกายนี้นะเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูสบายสบาย อย่าไปประคองความรู้สึกตัวให้นิ่งๆปล่อยตัวผู้รู้ให้มันเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดอย่างตอนนี้มันเป็นผู้คิดรู้สึกไหมรับ้นคอยรู้สึกอย่างนี้ดูเขาเคลื่อนไหวดูเขาเปลี่ยนแปลงอย่าประคองให้นิ่งนะส่วนใหญ่พอทําความสงบแล้วก็เป็นจิตนิ่งแล้วก็ไปอยู่นิ่งๆพยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างตอนนี้จิตเคลื่อนไหวรู้สึกไหมรู้สึกไป อย่ประคองนะถ้าประคองแล้วมันก็ค้างอยู่ตรงนี้แหละรู้สึกไหมประคองอยู่ครับผมให้รู้ทันเอาคุณครับน่ามาสการหลวงพ่อค่ะก็คือค่าที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ดูโทสะก็ดูอะะไรนโทสะค่ะก็เห็นมากขึ้นนะคะรู้สึกไหมสติเกิดบ่อยขึ้นค่ะรู้สึกไหมจิตเบาขึ้นค่ะมันโล่งโลงรู้สึกไหมค่ะเห็นไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแล้วจะถามอะไร ก็ก็จะบอกว่ารู้สึกว่ารู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะถูกต้องนะหลวงพ่อกนุโมทนาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนมาสการหลวงพ่อจ้ะค่ะคือหนูอ่านหนังสือของหลวงพ่อแล้วก็ฟังซีดีบางชุดนะคะแล้วก็ตามรู้จิตไปเรื่อยๆช่วงแรกๆก็ถ้าไม่เพ่งก็หลงถ้าไม่หลงก็เพ่งค่ะช่วงหลังๆจะรู้สึกว่าเพ่งน้อยลงแต่ว่าหลงบ่อยแล้วก็ บางครั้งก็จะรู้แบบสบายๆรู้เบาๆนะคะ อ, อยากจะกลับขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยนะคะขณะนี้เป็นยังไงขณะเนี้ยเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วมีอะไรอีกตื่นเต้นนอกจากตื่นเต้นแล้วกดเอาไว้ดวูออกไหมใช่ค่ะใจแอบไปคิดแว บ, บๆดูออกไ้มใช่ค่ะแล้วเนี้ยปล่อยให้เขาทางานนะเราตามดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วไงมีปัญหาอะไร หนูควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีคะเป็นคนคิดมากนะดูจิตไปค่ะอยังถ้าอในชีวิตประจําวันหนูจะดูรู้คือถ้ารู้จิตได้หนูก็จะรู้จิตแต่ว่าถ้าถ้ารู้ไม่ได้หรือว่าไม่มีอะไรให้รู้ค่ะหนูจะดูอิริยาบทน่าแหละใช้ได้แต่อย่าเพ่งอิทธิบาทนะแยกแยกรู้กับเพ่งออกได้หรือยังพอได้ค่ะแต่เรารู้อิริยาบทขณะนี้สิเรารู้ให้หลวงพ่อดูสิ มันมันยังตื่นเต้นอยู่นะคะในลองโชว์ซิรู้อีก่หลวงพ่อหลับตาล่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นหน่วงมันไว้รู้สึกไหมค่ะ <c oughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้อย่างนี้เรียกว่าไปกดมันไวนะ <c oughs> อย่ากดมันนะรู้ก็รู้ด้วยใจที่ธรรมดานี่เอง เวลาที่เรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหรือเรารู้จิตรู้ใจเราเนี่รู้ด้วยจิตใจธรรมดาอย่าไปดัดแปลงจิตใจนะอันนี้ไปดัดแปลงใจไว้ก่อนลนะค่ะปล่อยนะ้ำปล่อยให้มันเคลื่อนไหวถ้า<ต>ปกติรู้ที่บ้านจ ะ, จะเบาวกว่านี้ค่ะเ น, นี่ใจไหลไปคิดรู้สึกไหมไหลแวบบแวบบแวบบนะคอยรู้สึกเอานะค่ะบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แถวธัญบุรีนะคะห้องสี่อ่ะค่ะว่างๆก็ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรนะอ๋อค่ะ เคยไปครั้งหนึ่งค่ะไปหลายๆครั้งก็ได้เขาไม่ว่าหรอกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยให้เป็นธรรมดาให้เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไปอย่างถ้าใช้ในชีวิตประจําวันนี่ถ้าหนูตามรู้จิตไปแล้วอย่างช่วงที่ว่าดูไม่ออกนี่ดูดูอิริยาบถแต่ว่าบางช่วงถ้าถ้ากายนิ่งๆค่ะหนูจะดูลมรู้ลมหายใจอย่างนี้ได้ไหมคะเวลารู้ลมหายใจอย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็แล้วกันค่ะส่วนมากจะ ถ้าถ้ารู้เราหายใจหนูหนูจะค่อนข้างติดเพง่งอะค่ะให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่กับลมค่ะให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้ว่าไปบังคับมันอย่างตอนนี้เนี่ยหลงไปละรู้สึกไหมค่ะ อ, อย่างนี้แมวไม่น้อมใจไปอย่างนั้นค่ะเม่อกี้ไม่เราส่งจิตไปอย่าส่งจิตไปเราแค่รู้เห็นสภาวะทั้งหลายเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านาหรือเหมือนเห็นเขาเล่นฟุตบอลเรานั่งบนอธธัศจรย์ไม่กระโดดลงไปค่ะนี่ยังกระโดดลงไปเป็นระยะระยะ อ่าทำนอื่นบ้างหลวงพ่อคะ<า>อีกข<ม>้คอค <ำ S 1> ําถามหนึ่งคืออย่างเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะที่บอกว่าใช้รู้ลมหายใจแล้วบางครั้งหนูติดเพ่งแล้วก็บางครั้งเหมือนกับมันหลงแล้วก็มันมั น, มนบูบอะค่ะอือย่างนี้พอพอพอมันบูบ ป, ปุ๊บหนูจะเลิกเลยเพราะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นอกุศลอย่างนี้จะแก้ยังไงคะ เวลามันวูบนะวูบลงไปรวมลงไปพักผ่อนเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่าหรือวูบผานไปเลย ม, มันมันวูบเหมือนมันง่วงหรือว่าอะไรองน้อย่ั้นลุกขึ้นมาเดินจงกลมอนะขยับตัวไว้นะพยายามเคลื่อนไหวอย่าฝึกตัวเองให้เคริ้มเล้มวูบวูบบ้าบเสียเวลานะเพราะว่าธรรมดาโมหะเราก็เยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องไปฝึกให้มีโมหะเยอะขึ้นนั่งแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาหน้าอย่างนั้นไปนอนซะดีกว่าก็าคือเลิกเลยใช่ไหมคะเออลุกขึ้นมาเดิน ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เห็นร่างกายนี้ทํางานไปคะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนะค่อยฝึกไปอย่างนี้อถ้าเกิดเป็นวิหารธรรมที่เมื่อกี้ถามนี่ตกลงว่า ใ, ให้ดูริยาบทไปใช่ไหมคะดูริยาลมหายใจนี้ไม่ต้องดูแต่ต้องระวังะนะของเดิมที่ทําอยู่เนี่ยมันเพ่งอิริยาบทาต้องระมัดระวังนะอย่า ก, กลับไปติดที่เดิมนะค่ะของเก่าที่ทําอยู่มันติดเพ่งอิริยาบทกลับขอบพระคุณค่ะ การวัสดุของพ่อค่ะไหนๆค่ะเจะากับเรียนถามถึงอาการหนึ่งนะคะหลวงพ่ออย่างสมมุติว่าเวลาเราคุยกับใครอยู่อย่างเงี้ยค่ะจู่ๆมันรู้สึกแปลกไปก็คือเหมือนกับว่าเรามันเป็นสองคนนะคะคนนึงกำลังอ้าปากพูดอยู่กับอีกคนนึงเนี่ยมันรู้สึกมันนิ่งๆแปลกๆไปอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมค่ะดีแล้วแล้วครั้งนี้ก็หนูรู้สึกว่า ทั้งตัวหนูกับคนที่คุยอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมอะคะ่ะอคือก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครคุยเรื่องอะไรแล้วคนที่คุยกับเราเป็นใครแต่มันเหมือนมันไม่มีมันเหมือนไม่ใช่คนค่ะ <c oughs> มันบอกไม่ถูกอะคะ่นนะแล้วนั่นแหละเราเห็นรูปเราเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นรูปอันหนึง่งนะเห็นคนอื่นก็เป็นรูปอี ก, กันหนึง่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาค่ <c oughs> นะนั่นแหละจิตมันรู้สึกตัวขึ้นมามีสติ ข, ขึ้นมา แล้วมันจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามนจะเห็นในร่างกายที่กําลังพูดอยู่เนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันก็จะเห็นว่าไอ้คนที่เราพูดด้วยก็ไม่ใช่คนนะเป็นอะไรอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏอยู่นั่นแหละภาวนาไปแล้วหลังจากนั้นมันรู้สึกเศร้าอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเศร้าเพราะว่ามันทนไม่ได้ที่ตัวเราหายไปค่ะแล้วมันก็เกิดการกลัวตามมาเออกลัวก็รู้ว่ากลัวไป อันนี้คือมันมันเป็นอาการของจิตไม่ได้เป็นอาการของจิตเป็นอาการปกติเลยเวลาไม่ได้เพี้ยนไปอะไรนิดนึงนะเราจะรักตัวเองมากที่สุดเราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อประกาศย้ํากับตัวเองแล้วก็ย้ํากับคนอื่นด้วยว่าตัวเรายังมีอยู่แม้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังต้องการให้คนเขาย้ำรับเราเนี่ยเพื่อยืนยันว่าตัวเราก็มีอยู่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เพื่ออวดว่าตัวเรามีอยู่เตือนกับตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าเรารักตัวเองที่สุดเลย แต่พอเรามาเจริญสติเราเริ่มเห็นความจริงแล้วเอ๊ะตัวเอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วนนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขึ้นมาบางคนกลัวไปเลยนบางคนก็รู้สึกเบื่อจับจิตจับใจบางคนรู้สึกเบื้องว่างโงงโงงหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แล้วเพราะจิตมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีะต้องดูไปอีกนะรู้ทันไปกลัวรู้ว่ากลัวเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ไปอย่างนั้นใจมันตั้งมั่นแต่ตั้งอย่างนี้ไม่ได้นะตั้งอย่างนี้ทื่อๆไปไม่เป็นธรรมชาติ แล้วอย่างหนูคนใช้ได้เป็นวิหารธรรมคะลรูปตายไปขอบพระคุณค่ะเอาย่อๆนะจะหมดเวลาแล้วการนัากการหลวงพ่อนะคะระหว่างที่รอไมมาเนี่ยจิตมันไหลไปไหลมา ม, มันว้าวุ่นแต่ก่อนจะมาหลวงพ่อจะมาเนี่ยฮรู้สึกว่ามันกดอยู่อ่ามันจะอย่าไปน้อมใจให้มันซึม ซสิมมากเลยค่ะเราน้อมใจให้ซึมเนี่ยเพราะเราไปคิดว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะสงบซึมกับสงบเนี่ยคนละเรื่องกันสงบเนี่ยไม่จาเป็นต้องซึมเลยสงบแล้วร่าเริงก็เป็นไปได้นดี่ยน้อมใจให้ซึมแกล้งซึม<อ>แกล้งน้อมไปให้ซึมน ะ, <c oughs> นะคนนี้นะคนนี้หลวงพ่อคะขอะ อ, อีกนิดหนึ่งค่ะ อ, อ, ะอที่ให้ทาพิหารนธรรมเนี่ยบังเอิญห้องพระอยู่ชั้นสอง บางทีลูกก็เลยนั่งสวดมนต์อยู่ที่เตียงอ่ะออืเอากอี้มาแล้วก็นั่งสวดที่ที่นอนอืออันนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็นั่งสบายท่ได้อยู่ในห้องน้ําก็สวดได้อะอยู่เราสวดมนต์มันเป็นการทําความดีที่ไหนก็ควรทําค่ะการนมัสการเจ้าค่ะเสื้อสีชมพูนี้มาการนมัสการหลวงพ่อผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเท่าที่ผมปฏิบัติแล้วก็ ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหมครับเห็นใช้ได้ถูกถูกทางแล้วใช่หมถูกแล้วนะแต่ขนานี้ไปกดมันนิดนึงกดไปกดไปนิดนึงออยังกดอยู่ขนาเนี้ยนะแต่ที่ฝึกอยู่ที่บ้านน่ะใช้ได้กับกับนมัสกัดใจมันยังมันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืยมันไม่อยู่กับที่อันเดียวคือถ้าภาวนาแล้วจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะ หรือร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เราคอยรู้สึกอยู่ใช้ได้ทั้งนั้นเลยถ้าภาวนาแล้วนิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้นะถ้าภาวนาแล้วนิ่งเป็นสมถะวิปัสสนามันไม่นิ่งหรอกมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีอีกไหมมีอีกไหมครับหลวงพ่อครับตอนนี้ปฏิบัติมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วครับก็ดูจิตไปทุกวันนะครับมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งกุศลและอกุศลนะครับผ่านมาผ่านไปเลือกใจเป็นกลางมากขึ้นนะครับ แต่ไม่ทราบว่ากลางจริงหรือเปล่าจะให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะครับแล้วก็รู้สึกจิตเบาขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ภาวนาไปนะทำไปอีกได้ได้อยู่มีอะไรต้องปรับปรุงอะไรไหมครับไม่ปรับปรุงนะจะคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆอย่างเราภาวนาทำไมเราต้องคิดเรื่องปรับปรุงทำไมเราต้องคิดเรื่องแก้เพราะเราอยากบรรลุเร็วๆทาไมเราต้องอยากบรรลุเร็วๆเพราะเรายึดถือว่าจิตนี้คือตัวเรา มันคือตัวเราเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันได้มากผลนิพพานแม้การภาวนานะถ้าอย่งตั้งหลักวยการจะเอาดีให้ได้เลยเนี่ยมันทำเพื่อสนองกิเลส ท, ทั้งสิ้นเลยที่อาจารย์มหาบัวบอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะว่าเราภาวนาเพื่อเสริมกิเลสอีกนั่นเราให้เรารู้ทันอย่าหวังผลนะ เราขอแค่ว่ามีสติรู้กายมีสติรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราทําแค่ว่าวางใจไว้ว่าเราทําเป็นพุทธบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลนะช่างมันนะแล้วแต่บุญแต่กรรมของเราแหละครับ <ขอ S 2> ถ้า <ขอ S 2> วางใจอย่างนั้นเราเร็วเเพราะงั้นต่อไปนี้อย่าไปแกล้งวางใจด้วยนะเอาแ ล, แล้วแต่เวญแต่กรรม <laughs> จะบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว <laughs> อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะหลอกลวงตัวเอง อย่าไปหลอกกิเลสไม่มีใครหลอกกิเลสสาเร็จหรอกมีแต่ถูกกิเลสหลอกนะนกกรัศกรหลวงพ่อครับก็ที่ผมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ผมดูลมหายใจอยู่แล้วก็รู้จิตอยู่ตอนนี้มันเข่งจิตจริงๆหรือเปล่าครับในหายใจให้หลวงพ่อดูก่อนรู้สึกไหมเนี่ยนน้อมลงไปอย่าน้อมลงไปดูลมนั่งอยู่เฉยๆจิตไม่เคยื่อนเลยนะสมมติว่าเรากำลังเผลอๆอยู่แล้วนึกจะดูลมเนี่ย รู้ลมหายใจรู้เห็นร่างกายกําลังหายใจเลยเลยอย่าน้อมใจเข้าไปหลวงพ้าทําหน้าให้ดูนะสมมติเรากาลังเผลอๆอย่างเงี้ยเรานึกถึงลมหายใจนะเนี่ยอย่างเนี้ยปลอมหมดเลยนะเพราะฉั้นเรากาลังเผลอๆอย่างเงี้ยเรานึกจะรู้ลมหายใจเราก็เห็นร่างกายหายใจเลยจิตเราไม่ต้องขยับย้ายที่ไปไหนเลยก็แค่รู้ลมหายใจไปเลยนอย่าไปดัดแปลงอย่าไปเคลื่อนรู้สึกไหมเราพอทึกนึกถึงลมหายใจเราเคลื่อนจิตเข้าไปหาลมอย่าไปเคลื่อนอย่างนั้น นึกถึงท้องพองยุบก็รีบเคลื่อนจิตเที่ยวไปหาท้องอะไรเงีย้ยไอ้นั้นมันจงใจกลายเป็นเพ่งไปหมดละเพราะงั้นควยใจลอยเป็นวิหารธรรมนะครับแล้วก็รู้สึกตัวได้ไหมครับอะไรนะเพราะงั้นต้องควบใจลอยเป็นวิหารธรรมไม่ได้เอาใจลอยเป็นวิหารธรรมไม่ได้แล <c oughs> ้วรู้สึกตัวเอาอย่างเงี้ยค่อยรู้สึกไปเรื่อยนะสภาวะอะไรเอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ได้นะจิตใจลอยไปก็รู้สึกจิตโลภก็รู้สึกจิตเกรยก็รู้สึกนะ ใจลอยเป็นวิหารธรรมเดี๋ยวเลยสมัครใจใจลอยทั้งวันเลยตายเลยครับแต่ถ้าใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยะใจลอยก็รู้เนี่ยหนึ่งคู่อย่างเงี้ยเป็นวิหารธรรมได้เอาใจลอยอันเดียวเป็นวิหารธรรมไม่ได้นะแล้วรู้อย่างนี้มันถึงจิตจริงจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าแบบไม่รู้ ร, รู้ขนาดนี้เพียงน้อยมันกดไว้ขนาดนี้ปล่อยสิปล่อยพวกเราเวลาที่ใจลอยไปนะเวลาเผลอเวลาหลงนะเอาทั้งชั้นเลย เวลาใจลอยไปพอรู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตเราไม่ขยับเลยนะจิตอยู่เดิงเดิมรู้ว่าใจลอยจิตไม่เคยยื่อนขึ้นมาส่วนใหญ่พอรู้ว่าใจลอยจะดึงวืบเข้ามาเลยอย่างเนี้ยจิตมันเคลื่อนที่ไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วจิตมันจะแน่นขึ้นมาเลยงั้นใจลอยรู้ว่าใจลอยเห็นไหมโกรธรู้ว่าโกรธพระพุทธเจ้ามไม่ได้บอกนะว่าพิสูจทั้งหลายห้ามโกรธพิสูุทั้งหลายพอรู้ว่าโกรธแล้วรีบดึงให้หายโกรธไม่เคยสอนเลยท่านสอนบอ่าพิสูจทั้งหลายเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธ คำว่ารู้ว่าโกรธรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาหนึ่งรู้ด้วยสติก็คือเห็นความโกรธกําลังปรากฏอยู่รู้ด้วยปัญญาคือเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราหรอกความโกรธเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเนี่ยขณะนี้หลงนะยังไม่ตื่นเลยครับอะไรนะใจใจะ ใ, ให้มันมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยพยายามซ้อมที่จะให้ไม่เคลื่อนที่เลยไปตรึงไว้ข้างนอกอะ่ะ ให้เป็นธรรมชาติให้รู้เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดจิตที่เหมาะกับการทํามิปั ส, สนานะคือจิตของมนุษย์ธรมธรมดาธรรมดาที่ผ่านมาไม่ผิดหมดเลยไม่ผิดหมดนะใช้ได้อยู่ดีขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาไม่ใช่ผิดหมดนะไม่ต้องไปดิ้นรนแก้ไขแนละ้วที่ผ่านมาดีขึ้นเรื่อยๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพูดเพื่อให้ดีกว่านี้อีกครับให้เรารู้ทันเวลาจิตมันรู้ลมหายใจจิตมันถลำลงไปรู้ไปแค่นั้นแหละ เวลามันวกมารู้ลมหายใจจิตมันกระโจนลงไปเรารู้ทันว่าจิตกระโจนไปหาลมแล้วรู้แค่นี้พอไม่ต้องดึงออกมานะจะได้ไม่ไปค้างนิ่งๆอยู่ อ, อมีอีกไหมมีอีกไหมกราบน้ำระสการค่ะหลวงพอ่อที่ท่านก็ดูจิตมาเป็นเวลาพอสมควรมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกตัวดีบางครั้งก็ไม่รู้สึกตัวบางครั้งก็ เหมือนกับบางวันเหมือนกับดูไม่เป็นเลยนะคะที่างนั้นทุกคนแหละบางครั้งก็เหมือนจิตตั้งมั่นแต่บางครั้งก็เหมือนกับไม่รู้อะไรเลยก็เลยไม่ทราบว่า ท, ที่ที่ตัวเองปฏิบัติอยู่นี่มันถูกต้องไมแล้วถูกแล้วนะเห็นไหมว่ามีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของบังคับไม่ได้อย่างบางวันก็รู้สึกตัวดีเหมือนมรรคผลนิพพานจะอยู่ต่อหน้าแล้วบางวันภาวนามไม่เป็นอ่างเงี้ยมันเป็นไปเองทั้งนั้นเลย แต่ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอปฏิบัติไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะค ะ, ะตรงที่ไม่พัฒนาเท่าที่ควรเร า, เ, าเราเอาความอยากพัฒนาเป็นตัวตั้งใช่ไหมใช่ค่ ะ, ะเรารู้ลงปัจจุบันถือว่าเราภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันได้ผลไม่ได้ผลช่างมันนะแค่มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยให้คอยรู้ทันไปให้ที่ว่าเรารู้ทันรู้ทันน่ะมันรู้เป็นลาดับลาดับไป อย่างตอนนี้เรารู้ทันสภาวะแบบที่หยับหยับหน่อยหยับห ย, บยบับหลอกเราไม่ได้มันก็ไปติดสภาวะที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะต่อไปเราก็รู้ทันสภาวะที่ละเอียดขึ้นไปมันก็ไปติดละเอียดขึ้นไปอีกนะก็ค่อยๆหัดรู้ไป อ, อย่างจิตขนาดเนี้ยมันไปติดอะไรอยู่ดูออกไหมติดเพ่งค่ะใช่ติดเพ่ง <c oughs> ถ้าเพ่งอยู่นะกี่ปีมันก็อยู่อย่างเนี้ยต้องปล่อยมันนะไม่ดีก็ได้นะห้ามชั่วคือห้ามผิดศีลห้าเท่านั้น ส่วนจิตเนี่ยจะดีบ้างร้ายบ้างไม่เป็นไรนะแสดงว่าการเนี่ยเห็นไหมจิตหนีไปตรึกหนีไปคิดเมื่อกี้เนี่ย<ช>เห็นไหม<ช>ไปคิดอย่างจริงจังเลยหนึ่งวูบเห็นไหมก็โจนปุ๊บลงไปนีเราก็แค่รู้เท่านั้นเองอย่างตอนนี้ไหลไปอีกแล้วทราบไหมคราว น, นี้ไหลนิ่มๆเห็นไหมเมื่อกี้ไหลแบบกระโดดนเราก็รู้อย่างเนี้ยมันเป็นยังไงก็รู้มันไปเรื่อยๆะอย่าเนี่ยอย่างอย่างนี้น้อมใจให้นิ่มนิ่งน้อมใจให้ซึมอย่างนี้ไม่เอานะอย่าน้อม อ้ามีอีกไหมมีอีกไหมขอบคุณค่ะอ้าทางที่ใม่เสียเพราะทางล้นก่อนอ่าครับที่ทําอยู่อ่ะครับทําได้สักสองสามอาทิติแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหมก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นก็มีโทสะภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยะหากรู้สึกตัวนะบางคนฟังหลวงพ่อครั้งหนึ่งบางคนฟังแต่ซีดีก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆ แล้วผมจะเหมาะกับดูกายหรือดูจิตจะพัฒนาดีดีครับดูทั้งกายดูทั้งจิตนะอย่าทิ้งกายของคุณอนะคุณต้องรู้กายไปด้วยต้องมีกรรมฐานอะไรต้องทำเพิ่มไหมครับสมถะก็ทำเล็กน้อยนะพอให้จิตได้พักผ่อนไม่ทิ้งนะทำสมถะเล็กน้อยแล้วก็คอยรู้ร่างกายที่ขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวไปเนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมหนีตามไม่ ในการปฏิบัติของของลูกก็ปฏิบัติแบบกดข่มมา20กว่าปีเจ้าค่ะก็ประสบผลสาเร็จในทางสรุปว่าได้เลยว่าคือส ม, มถะทั้งนั้นขณะนี้ได้พบกับหลวงพ่อก็ก็รู้แล้วค่ะว่าแนวทางควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็หมดทุกภพสุขหมดทุกภพสุขก็ตามดูตามรู้ได้ตลอดเจ้าค่ะแล้วขณะ น, นี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเจ้าค่ะ คืออยู่ในระดับนิ่งเจ้าคะ่ะแล้วเดินต่อไม่ได้ก็เลยเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยขึ้นต่อในวิปัสสนาไม่ได้เจ้าคะ่ะการที่การที่เราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลออันนี้แหละก็คือการทำวิปัสสนาอยู่นะแต่ของโยมเนี่ยมันยังติดการไปน้อมใจให้นิ่งๆนิดนึงอย่าน้อมใจให้นิ่งพอเราแต่เดิมเราติดเพ่งแรงใช่ ต่นี้เราไม่เพ่งเราค่อยคลายออกคลายออกนี่หัดรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวโยมต้องเอาร่างกายมาช่วยนิดนึงนะร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกช่วยมันนิดนึงเนื้อรู้สึกไหมจิตมันเกิดความคับข้องใจเนื้อรู้ลงปัจจุบันอย่างเนี้ยที่เราไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มองสภาวะเรามองไม่ออกสภาวะที่เป็นปัจจุบันอย่างเราภาวนาแล้วใจมันนิ่งนิ่้างๆนะเสร็จแล้ว ถ้าเราไปพอใจเราก็ติดอยู่ถ้าเราไม่พอใจนะเราก็จิตขนาดเนี้มันไปติดไม่พอใจโยมดูออกไหมมันไม่ได้นิ่งว่างจริงหรอกนิ่งว่างไม่จริงใช่ไหมพอนิ่งว่างแล้วบางคนก็พอใจให้รู้ว่าพอใจก็ถือว่าไม่ติดแล้วก็อย่างโยมพอว่างๆนิ่งๆรู้สึกนิ่งนานไปแล้วไม่พัฒนาก็หงุดหงิดใจให้รู้ว่างหงุดหงิดเห็นไหมตอนที่หงุดหงิดใจเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่ว่างแล้ว น, นี่ค่อยๆสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆ ทำให้สบายนะทําให้สบายๆภาวนาดีเฉยละเหมือนเหมือนคนไม่ได้เลื่อนชั้นสักทีนะเจ้าค่ะอยากอยากเลื่อนชั้น <c oughs> รู้ลงปัจจุบันไปนะ <c oughs> เลื่อนชั้นเนี่ยไม่มีอะไร <c oughs> การที่เราเลื่อนชั้นอย่างเป็นพระโสดาบันอะไรเนี่ยถ้าจิตมันเห็นสภาวะธรรมเกิดดับไปพอนะมันเกิดปัญญาเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งหมดเลยตัวตนที่ถาวรของเราไม่มีมันก็เลื่อนชั้นของมันเองเราไปสั่งให้มันเลื่อนชั้นไม่ได้ ขณะที่กําลังทําสมถะหรือเนี่ยเจ้าคะก็ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็แล้วก็มายืนมองว่าอ๋อนี่ความสุขเป็นอย่างนี้หรือเออคือเหมือนลมเนี่ยฮะเขาโอบล้อมเราแล้วก็สัมผัสได้เลยนะเจ้าคะอนันอันนี้เป็นสมถะเลยใช่ใช่มีความสุขนะยังทำสมถะบางทีเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยแช่น้ําอยู่นะชุ่มฉ่ําเย็นช่ําทุกคลุมขนเลยเจ้าค หรือเหมือนลมพัดผ่านทุกขุมคนเลยมีความสุขเย็นสบาย<อ>แต่พ่อพอมันสบายอย่างนั้นเราจิตเราชอบเรารู้ว่าชอบนี่เราเริ่มเดินปัญญาต่อแล้ะนี่นี่แหละค่ะคําว่าเดินปัญญาต่อเนี่ยะลูกไม่ทราบนะคะโยมก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 1> อย่างเห็นไหมจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้แหละคือการเจริญปัญญา เห็นไหมจิตใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยคือการเจริญปัญญาการที่เรารู้กายตามความเป็นจริงเช่นร่างกายหายใจออกเรารู้ร่างกายหายใจเข้าเรารู้เรารู้ว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอยู่นี่เราก็เรียกว่าเจริญปัญญาเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวมันทํางานมันเปลี่ยนแปลงมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วตลอดเวลานะนั้นเราก็เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะเจริญปัญญาไม่ได้แปลว่าคิดนะ เจ้าค่ะเจริญปัญญานั้นจิตมันเป็นรูปกายจิตมันไปรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่จเจริญไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดตัญญารวบยอดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเลยมันไม่มีตัวตนถาวรยมเริ่มรู้สึกหรือยังว่าชีวิตเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันเป็นคนละขณะกันเจ้าค่ะ เ, เหมือนของความที่เปิดให้ง่ายแล้วเจ้าค่ะเออง่ายออกเจ้าค่ะนะ <ด>ไม่<ส>ไม่ <ทำ S 2> ไม่ติดแล้วใช่ค่ ะ, ะ ต, ตลอดมาเนี่ยมันเหมือนของที่คว่มอยู่มืดสนิทยอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะเดินออกนาทีนี้ได้เปิดแล้วเจ้าค่ะไปไปเปิดแล้วไปดูเอาอเดูแล้วจะพบว่าเปิดมาทั้งทีไม่มีอะไรนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเราจะร่วมกันถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษานะครับขอเข้ามา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 อาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตัง สับพังอัปปาราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสับพังอัปปาราทังขมะตุโนพันเตอาหังข ม, มามิ เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัาชิตวาปัชฌะโซนปมาชิติโซมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมายัสสะปะปังกตังกัมมังกูสเลนะปะเฮติโซมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจันติมาอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังภะลัง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 ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนารโสยถามณีโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาวะ อาภิวาธานาสีลิสนิจจังมุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพะลัง